เชิญอาจารย์ชูชัยสีกุลเลียงที่จะมาเทศนาให้เราในเช้าวันนี้ครับผมขอบคุณผู้ น, นำน้ำมศการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อร้องเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่นะครับก็ <c oughs> ทาให้นึกถึงตอนสมัยที่ไปทํางานเข้าไปกรุงเทพเป็นครั้งแรก เนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ในช่วงนั้นถ้าไว้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเหมือนกับไปรักษารักษาสุขภาพจิตใจนะครับนะครับก็หลายอย่างเหมือนกับไปตั้งตัวนะครับเล่นนิ้ฟังแล้วก็มันชื่นใจมากนะครับถ้ารุ่นถ้าพี่น้องรุ่นเก่าๆทั้งหลายแหลนะครับได้ได้ได้ฟังตอนแรกนะครับคงจะรู้จักอาจารย์โรเบิร์ตนิชิโมโตะนะครับรู้จักไหมครับ ถามีรู้จักจแสดงมาพี่น้องทั้งหลายเป็นคนรุ่นใหม่นะครับะโรเบิร์ตที่ชิมโตะนะครับร้องเพลงนี้ถึงใจมากนะครับท่านเป็นอาลีกครึ่งอเมริกันแล้วกญ็ญี่ปุ่นนะครับน่าจะใช่นะแล้วก็ร้องเพลงนี้ร้องเมื่อไหร่มันหนุนใจนะครับหนุนใจมากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทส่งให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้เข้ามาในสถานมาการของพรงเมื่อไม่กี่วันก็ จะรับโทรศัพท์จากจันเสมอใจนะครับท่านเจติบาศบอกจันว่างไหมนะครับก็คันจะบอกว่าไม่ว่างก็ไม่รู้จะมีเหตุผลอื่นอย่างไรไม่ทราบนะครับเพราะว่าติดต่อมาหลายครั้งนะครับต้องยอมรับว่าบางบางทีไม่ทันนะครับส่วนมากจะไม่ทันนะครับเพราะว่าไปนำเพลงบ้างแล้วก็ติดเทศนาที่คิดจักอาทิตย์อื่นบ้างนะครับนะ ก็ที่ผ่านมาสองสาวันนี้ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยัยงไงนะครับเพราะว่าถ้าพระเจ้าใช้เราก็ต้องทำใช่ไหมครับนะเดี๋ยวถ้าพระเจ้าไม่ใช้แล้วเราจะยุ่งนะครับถ้าพระเจ้าไม่ใช้เราก็ยุ่งนะครับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ผมถามอาจารย์ใช้ประเทศที่ไหนครับอาจารย์ก็ตอบว่าประเทศบทใหญ่นะครับสภาพอาจารย์ก็งหวงวดหงิขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าเอออาจารย์จะอ่ แล้วแต่อาจารย์จะให้บทเล็ลกหรือบทมันใหญ่ขึ้นแล้วแต่อาจารย์อาจารย์ก็ยิงมุกมานะครับผมก็เลยไป AH มาคิดต่อนะครับผมก็คิดต่อไปว่าโอ้อาจารย์พูดนี่มีความหมายเนาะนะครับมันผมมาคิดต่ อ, อ well Mina มันก็อยู่ที่พวกเรานะครับถ้าเราใหญ่อ่ะถ้าเราเป็นคนที่ใหญ่อ่ะนะคิดจักรของเราก็จะเล็กลงใช่ไหมครับถ้าเรายอมทําตัวเล็กคิดจักรของเราก็จะใหญ่ขึ้นมันอยู่ที่เราทุกคนใช่ไหมครับมันไม่อยู่ที่ผม นะอายุที่สมาชิกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยจะมีท่าทีต่ อ, อพระเจ้าอย่างไรบ้างนะจะให้พระเจ้าพระเจ้าใช้ไหมหรือว่าตัวเองใหญ่ไหมถ้า ใ, ใหญ่แล้วขี้จักรก็จะเล็กลงนะฮะถ้าเรายอมขี้จักรก็จะโตขึ้นเอเ ม, มนะครับนะพี่น้องเอเมลนะครับนะขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับจะนำพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัส <c oughs> ทำเอเฟซัสบทที่4นะครับเหตุบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่8ต้องขออภัยนะครับ <g ül> จะมีเสียงแกแกมนะครับเพราะว่าช่วงนี้หวัดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เขาไม่มากเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจ อันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกันเละกันด้วยความรักจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นปัญชนะมีกายเดียวและมีพระวิญญาณคงเดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงแต่ว่าพระคุณนั้นทรงประทานโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคิดประทานให้นะครับ ให้รอลุ้มใจถานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และพื้นดินโลกขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ว่าหลายครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายจะลืมพระงไปแต่พระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการยกโทษพระเจ้าแห่งความรัก ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีพระเจ้าแห่งชัยชนะขอพระองค์ทรงโปรดในเราทั้งหลายที่เหมือนด่างพระองค์และมีจิตใจที่เข้าใกล้พระองค์เพื่อจะเป็นเหมือนพระองค์เพื่อจะได้รับความชูใจที่มาจากพระเจ้าขอพระราชนะของพระองค์ในเช้านี้เป็นกําลังเป็นพลังและเป็นโคมสองเท้าให้กับข้าพองทั้งหลายและเป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจ เราทั้งหลายทุกคนขอบพระคุณโปร่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <c oughs> ในเช้านี้ก็จะมาเทศนาหรือหนุนใจพี่น้องในเชาน้านี้ตั้งชื่อว่ามันอยู่ที่ใจนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับทุกอย่าง <c oughs> ก็บอกว่าถ้าถ้าใจมัน ถ้ามันได้ใจแล้วมันก็ได้ทุกอย่างนะครับมีคำพูดบอกว่าครับถ้าเรามีใจพระเจ้ามีทางใช่ไหมครับนะแสดงว่าถ้าเรามีใจขอเอาแค่ใจของเรามานะครับความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยออกมาทีหลังแล้วพระเจ้าก็จะมีทางที่จะช่วยเราในการพัฒนาเรานะครับแล้วก็ พระเจ้าของพระเจ้าก็บางตอนก็บอกว่าจงเอียงใจเข้ามาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาเราะพระองค์จะทรงประทานสติปัญญานะครับ <นะ S 1> แล้วก็พระจนะของพระเจ้าบอกว่าจงะระัระแวงระวังใจของเรานะครับอแล้วก็ชีวิตนะเริ่มต้นออกมาจากใจของเรานะครับนะเมื่อเราได้ฟังเพลงก็มีเพลงก็บอกว่านะ ของเสกโลโซกบอกว่าใจสั่งมาใช่ไหมครับนะขอบคุณพระเจ้าวนันนี้ใจสั่งมาใช่ไหมครับพี่น้องใจจากพระเจ้าสั่งพี่น้องมาขิ้จักของพระเจ้านะครับแต่ถ้าใจไม่สั่งมาก็อาจจะเป็นเหมือนมาแบบมีเป้าหมายอย่างอื่นคือมาตามหมาโปกเกมอนอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าใครลุกลี้ลุกหลนะั้นลุกขึ้นปุ๊บปั๊ บ, บผมจะถือว่าพี่น้องกํลาลังตามหมาโปกเกมอนนะครับนะฮะผู้เล่นนะครับ ก็อยู่ที่ใจนะครับการรับใช้พระเจ้าการมาที่จากของพระเจ้าการมารัสการของพระเจ้านั้นนะมันอยู่ที่ใจเมื่อเราเกิดการทําความเข้าใจแล้วว่านะพระเจ้าทรงประเสริฐพระเจ้าทรงดีเลิศเราเข้าใจนะครับเราก็ตัดสินใจในการมารัสการพระเจ้านะครับนะไม่อะไรเปงได้พูดถึงเรื่องของใจ นะครับเพลงอัศ น, นีพุทธานก็บอกว่าอ่าถ้าจะมาถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปเสียดีกว่านะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับมาครึ่งกลางเขาอย่าเพิ่งกลับนะครับนะบก็อันนี้เป็นเรื่องของใจฉะนั้นจิตใจนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าจิตใจนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานะครับทําอะไรได้แม้แต่ว่าสภาพร่างกายของเราไม่ให้ก็ตางแต่ถ้าใจเราพร้อมพี่น้อง พระเจ้าจะทรงใช้เรานะครับในพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยมีหลายคนที่สภาพนะเขาก็าตัดพอตัวเองเหมือนกันโอ้พระเจ้าเป็นคนเล็กน้อยขพระเจ้าไม่มีความสามารถตระกูลเล็กน้อยแต่ว่าพระองค์ทรงมองที่ใจของพระงองค์ทอดพระเนตรดูแล้วโอ้นี้ใจใช้ได้นะพระองค์ก็ทรงใช้นะครับฉะนั้นใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะชีวิตเริ่มต้นจากใจนะครับ ฉะนั้นในวันนี้นะครับก็จะมีสามสี่ประการที่จะพูดถึงที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเชาววันนี้นะครับทีจริงแล้วพระราชกิของพระเจ้าในพระธรรมตัวนี้ก็เป็นการที่อาจารย์ปอลโลนะครับผู้ถูกจําจองนะครับผู้ถูกจําจองแต่ว่าได้หนุนใจคิดจักของพระเจ้าในพระสัตร์ษเนี่ยนะครับให้เป็นคนที่มีความหนักแน่น ให้เป็นคนที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เป็นคนที่อดทนอดกลั้นนะครับให้เป็นคนที่มีความเชื่อเดียวกันเพื่อจะรักษาคริดจักของพระเจ้าไว้นะครับนะนนี้คือจารย์จบโลมีท่าทีมีใจที่เป็นห่วงคิดจักนะครับเพราะว่าคิดจักเขาต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างนะครับคิดจักเขาอยู่ในช่วงที่ต้องสร้างตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีผลจากหลายอย่างที่ทําให้คิดจักนั้น อาจจะเกิดความแตกแยกได้แต่จอปโลก็เป็นห่วงนะครับประการแรกคือนะครับในการที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีใจถอมลงทุกอย่างนะครับมีใจถอมลงทุกอย่างภาษาอังกฤษคํานึงใจแค่ว่าโลฮ h e a r นะครับใจถ่อมลงทุกอย่างถ้าเรามีใจ ทอมเราจะทําได้รับใช้พระเจ้าได้ในทุกอย่างไม่ว่าพระเจ้าใช้อะไรก็ตามเราก็จะทําได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ถ่อมใจทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรก็เป็นปัญหานะครับในเรื่องของความถ่อมใจพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกเพื่อสอนสาวกให้มีความถ่อมใจนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรับใช้ที่ เป็นแบบอย่างมาจากสวรรค์พระองค์ก็ทรงลงมือล้างเท้าสาวกเพื่อสอนให้สาวกเป็นคนที่มีความถ่อมใจในการรับใช้พระเจ้าเพราะถ้าไม่ถ่อมใจนั้นก็ยากนะต่อให้มีความสามารถต่อให้มี อ, อุปกรณ์อะไรครบครันแต่ว่าหากใจมันไม่พร้อมหากใจมันไม่ถ่อมก็ลำบากแลนะก็จะเป็นตัวที่ทาให้เกิดความ ลำบากในการรับใช้พระเจ้านะครับคือมีความถอมใจนะครับนะความถอมใจนั้นเราไม่ได้ถอมใจเพื่อเอาใจใครนะครับไม่ได้ถอมใจเพื่อจะให้พระเจ้าเห็นว่าโอ้เราเป็นคนที่นะเป็นคนที่โอ้หน่ารักอะไรต่างแต่ว่าเราถอมใจเพราะว่าเรามีความเข้าใจในการรับใช้พระเจ้านะในการรับใช้ผู้อื่นนะเพราะว่า เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องอรับใช้ผู้อื่นปฏิบัติผู้อื่นจะต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เอาใจใครนะครับแต่ว่าเราถ่อมใจเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรนะครับในนิทานสุระษิตจีนเรื่องหนึ่งจะบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงมากแล้วก็รับลูกศิษย์ นะรับลูกศิษย์ลูกศิษย์หลายคนก็ไปอยู่อาจารย์ท่านนี้ก็อยู่ไม่ได้นาน <c oughs> นะคือเรียกง่ายว่าไม่จบหลักสูตรนะอยู่ได้สักพักชั่วคราวก็กัดและคุณมีคุณป้าท่านหนึ่งก็อส่งลูกของเขาไปอยู่กับอาจารย์ทั้งนี้นะครับอยู่ในปาลึกอยู่ในหุบเขานะกะ็ลูกศิษย์ท่านนี้ก็นะ ไปศึกษากับอาจารย์นะครับนะเขาก็าไปพอไปถึงก็ไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ให้นั่งสมาธินะแล้วก็ทํางานปฏิบัติทั่วไปกวาดบริเวณนะครับสํานักอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกศิษย์อยู่ไปอยู่มาสามเดือนแล้วทนไม่ได้บอกอาจารย์นะครับอาจารย์จะสอนอะไรข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าอยู่มานี่ไม่เห็นอาจารย์สอน อะไรข้าพเจ้าเลยนะอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าเอ้ากลับไปก่อนกลับไปปฏิบัติธรรมสามเดือนค่อยมานะนะก็กลับไปเสร็จครบสามเดือนกลับมานะในขณะที่กลับมาเนี่ยปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่งที่ดูแลความสะอาดอยู่ที่สํานักเนี่ยก็กวาดขยะใบไม้เลยก็ออกไปไว้ตรงข้างบนทางประตูข้าว นะพอคนนี้มาถึงนะเข้ามาประตูปุ๊บคุณยายก็ทาเป็นขยัที่อยู่ข้างบนนะตกใจผู้ชายคนนี้นะครับปรากฏว่ผู้ชายคนนี้โหโมนะครับต่อว่าคุณยายใหญ่เลยทำไมทำอย่างนี้ไม่ระมัดระวงังไม่ดูหรือไงคนมาเนี่ยมองไม่เห็นหรือไงนะครับพอกาลังพูดอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์อาจารย์ก็โผล่มาโผล่มาปุ๊บ อาจารย์ก็ชี้หน้าด่าลูกศิษย์คนนี้ว่าเจ้าไม่ควรที่จะได้รับวิชาที่สูงส่งของข้านะเจ้าเป็นคนที่จิตใจตามช้าจงกลับไปกอ่อนนะผู้ชายคนนี้โอ้โหแม่อยากได้วิชาเ็าอยากจะได้ทำยังไงดีก็ยอมยอมกับอาจารย์นะครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะกลับไปปฏิบัติสามเดือนนะครับไม่ยอมแพ้นะครับ กลับไหมอีกทีนี้กลับมาก็คุณยายคนนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับพอจะเข้าประตูสํานักคุณยายคนนี้ก็ทําเหมือนเดิมคือเอาขยะที่กวาดไว้ใส่ใตะก้าแล้วก็หล่นเหมือนเดิมนะผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าโมโหอีกนะครับโคตรพัดโมโหมากเลยนะครับนะก็บอกว่าทํำไมทําอย่างงี้นะหลายครั้งเนี่ยทําไมซุ่มซ่าบอย่างนี้ก็ด่าคุณยายเสร็จอาจารย์คนนี้ออกมาคุณอาจารย์คนนี้ก็บอกว่า เจ้าเป็นคนที่นะจิตใจไม่พร้อมนะเป็นคนที่ไม่พร้อมเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับได้วิชาสูงส่งของขากกลับไปนะครับทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอ่ะกลับไปอีกสามเดือนนะผู้ชายวันนี้ก็กลับไปบ้านนะกลับไปแล้วก็สามเดือนก็ใหม่นะครับพอมาถึงอ่านะทางเข้าประตูนะคุณยายก็ทำอย่างนี้นะลนไปอีกแต่ทีนี้ ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทําเหมือนเดิมนะก็คุกเข่าลงแล้วก็ขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณยายมากนะวันนี้ผมเห็นแล้วผมได้วิชาสูงสูตรจากอาจารย์แล้วนะครับคือเขาไม่มีอารมณ์กรธอีกต่อไปฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความขอบใจนะครับฉะนั้นความขอบใจนั้นพระเจ้าจะทรงใช้เรานะครับในพระเจตนของพระเจ้าว่า ผู้ที่ถ่อมใจลงพระเจ้าจะทรงยกเขาขึ้นแต่ผู้ที่ยกตัวขึ้นพระเจ้าจะทรงเหยียบลงนะครับหมายความว่าผู้ที่ถ่อมใจลงเนี่ยพระเจ้าจะทรงยอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพระเจ้าจะทรงมีส่วนในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขายอมเป็นพระเจ้าใช้แต่ว่าคนที่ยกตัวขึ้นเนี่ยนะตัวเขาเองอัตตาเขาเองมีเยอะแต่เขาไม่ยอมกับพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ประการแรกคือ ให้เรามีใจถ่อมนะครับมีใจถ่อมลงต่อพระเจ้านะครับคนที่มีใจถ่อมนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นนะบอกว่ามีสองสามอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับประการแรกเป็นตัวยอนะครับประการแรกยอยกนะเรามีความถ่อมใจเราสามารถ ยกโทษให้ผู้อื่นได้เมื่อผู้อื่นทำผิดต่อเรานะครับยอ่อแรกคือยอยกโทษนะฮะยกโทษเพราะอะไรครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยกโทษให้เราก่อนและเรารับรู้รับทราบเราเข้าใจแล้วเราสามารถถึงยกโทษให้ผู้ที่ทําผิดต่อเราได้นะครับยอยกโทษอันที่สองยอยื่นนะครับหยิบยื่นน้ําใจไมตรีหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรต่าง นะครับเราจะต้องรู้จักที่จะหยิบยื่นให้ผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นมีความลําบากนะครับย่อที่สามคือยอยิ้มนะครับยิ้มเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่ใช้ได้ทุกเวลานะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับใช้ทุกเวลานะครับหรือต้องรู้จักมีรูปสัมพันธ์หรือยิ้มให้กับผู้อื่นก่อนเพรา ะ, พ ร, า ะ, ะาพระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าต้านใคร ให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านอย่างไรท่านก็จะต้องลงมือปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นนะครับถ้าเราค่ายให้ผู้อื่นยิ้มกับเรานะครับเราจะต้องเป็นไงครับเราจะต้องลงทุนยิ้มก่อนนะเพราะว่าบางคนเขาก็มีรู้เขาก็ดูเชิงเฮ้คนนี้ท่าทางน่ากลัวจะยิ้มให้ได้หรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวยิ้มแล้วเขาไม่ยิ้มตอบเนี้ยนะพี่น้องไม่ต้องลังเลนะครับยิ้มเลยนะครับนะยิ้มเป็นสิ่งที่แจกจ่ายได้ทุกเมื่อไม่ต้องซื้อ นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องถูกระวัลที้หนึ่งก็ยิ้มได้นะครับ <c oughs> คนไม่เคยซื้อนะครับบางคนบอกไม่ซื้อนะคือไม่ต้องมีอะไรนะั้นไม่ต้องอมีครบทุกอย่างไม่ต้องมีของใหม่อะไรก็ตามนะครับ <c oughs> เราสามารถยิ้มได้นะครับ <c oughs> แต่มีอาจารย์บางท่านก็เสริมบอกว่ายอที่สามคือยอยกเว้นนะครับยอยกเว้นหรือย อ, อยานะครับยอนี้บอกว่ายอ อย่ายืนตังนะครับอยายืมตังค์นะครับอาจารย์ก็เสริมมาที่หลังนะครับก็อันนี้ก็เป็นความถอมใจนะครับในการที่เราถอมใจนั้นนะครับเราได้รับแบบอย่างจากพระเจ้านะครับการอยู่ร่วมกันนี้เยอะเราจะต้องถอมใจลงในการทํางานรับใช้พระเจ้านะในการอยู่ร่วมกันจะต้องถอมใจนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่มาจากโองค์ปีสุขีเจ้านะครับอันที่สองคือ อดทนอดกล well, ั้นนะเราจะต้องมีใจที่อดทนอดกลั้นนะเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรานะครับสิ่งอันที่สองที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องมีใจที่อดทนอดกลั้นต่อกันและกันนะครับนะเพราะว่าคี่จักก็เป็นเหมือนทั่วไปบางครั้งก็มีเรื่องขัดแย้งบางครั้งก็มีเรื่องไม่เข้าใจบางครั้งก็มีเรื่องความเห็นที่แตกต่างบางครั้งก็มีเรื่อง ความคิดที่แตกต่างฉะนั้นสิ่งที่เราจะพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรื อ, อปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนอดกั้นต่อันและกันก น, นะครับแล้วก็อดทนต่อความเชื่อที่เรากาลังเชื่อนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าใครอดทนที่ถึงที่สุดนะครับนะถ้าใครอดทนนะครับ ในการติดตามพระเจ้าครับถึงเวลาพระเจ้าก็จะทรงประทานบําลังก์ให้นะครับพระเจ้าทรงมีรางวาัลสำหรับคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะครับถ้าเก่งแตม่มีความอดทนนะก็เสียนะครับถ้าเป็นคนมีความรู้นะเป็นคนมีความสามารถแต่ไม่มอดทนก็เสียนะครับ <c oughs> จําได้ท่านก็จะ ก, การได้นะยกตัวอย่าง เรื่องหนึ่งเรื่องของเด็กหนุ่มนะครับในบริษัทชื่อดังของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครพนักงานใช่ไหมครับก็เปิดการรับสมัครพนักงานแล้วก็มีคนเข้ามาสอบนะป ร, รากฏว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เก่งมากนะสอบแล้วนะสอบแล้วก็ถึงวันฟังผล ชื่อเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่มีตกหลน่นเจ้าของบริษัทก็บอกกับนะถามกับกรรมการที่ทำการเขาสอบเนี่ยก็บอกว่าชื่อของเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ไหนนะครับเพราะผมเห็นว่าเขามีแววเขาเป็นคนเก่งนะลองดูอีกครั้งหนึ่งทบทนดูฉะนั้นกรรมการก็ก็บอกว่าครับดูให้ ดูเช็คดูแล้วปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดงานะที่เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อเขาไม่ติดหนึ่งในคนที่ต้องเข้ามาทํางานนะฉะนั้นกรรมการบริษัทเจ้าของบริษัทก็บอกว่าโอ้เสียดายนะครับนะรีบไปตามเขามานะกรรมการก็ไปตามที่บ้านแล้วก็พอไปตามนะเจ็จ ก, ก็กลับมานะครับกลับมารายงานต่อเจ้าของบริษัท บอกว่าท่าน เ, าเสียใจครับนะเด็กหนุ่มคนนี้อา่าปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้อผูกคอตายแล้วครับนะก็เราหน้าเสียดายมากถ้าเราได้คนดีดอย่างเงี้ยคนเก่งเงี้ยเข้ามาในบริษัทเราเนะคงจะดีไม่ใช่น้อยแต่เจ้าของบริษัทก็หันหน้ากลับมาบอกว่าดีละที่เขาไม่มาทํางานกับพวกเราไม่งั้น บริษัทของเราจะเสียหายนะครับนะก็เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องที่สอนว่านะเก่งแต่ว่าไม่มีความอดทนนะความอดทนไม่มีนะครับเขาจึงเลือกที่ในการที่จะฆ่าตัวตายแทนที่เขาจะอดทนนะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอดทนรอเวลานะครับเพื่อสิ่งที่ดีนะครับฉะนั้นเหมือนกับในชีวิตเราบางครั้งเรา อาจจะขาดความอดทนในบางช่วงนะเราจะขาดความอดทนในบางอย่างเราอาจจะขาดความอดทนในบางสิ่งนะผมเชื่อว่าบางคนกําลังอธิษฐานต่อพระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างนะบางคนก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ละพระเจ้าจะตอบคำถามแล้ว <c oughs> บางคนอาจอยู่ในช่วงที่โอ้โพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยทําไมไม่เห็นแม้แต่วี่แววเลยนะแม้แต่เงาไม่มีเลยนะครับบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังดําเนินการ บางคนได้อยู่ในช่วงที่อาจจะเริ่มจะถอดใจนะครับน่นฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับในการเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้านะครับเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้ น, นต่อกันและกันด้วยความรักนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงอดทนต่อเรานะครับเชื่อว่าทุกคนก็เป็นคนที่ยังไม่เพอร์เฟกนะเป็นคนที่ยัง ก็เรียกว่ายังมีข้อผิดพลาดเหมือนกันแต่ในสริงวันนั้นพระเจ้าไม่ได้มองที่จุดผิดพลาดแต่พระเจ้าทรงมองที่ใจของเราว่าเรากําลังนะครับติดตามพระเจ้าอยู่รังลังซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอยู่นะครับมีคําหนึ่งที่อ่ได้ยินจากคนคนหนึ่งเขาพูดนะครับบอกว่าตราบใดที่อ่ บนฟ้ายังมีเมฆมนุษย์ก็ไม่ไรซึ่งความผิดพลาดนะครับตับใดที่ท้องฟ้ายังไม่ไร้เมฆมนุษย์ก็ยังไม่ไรซึ่งความผิดพลาดใช่ไหมครับอันนี้ความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางครั้งแต่เราต้องมีความอดทนนะครับอดทนต่อกันอดกลั้นอดกลั้นใจนะครับในหลายๆสิ่งที่เราต้องอดทนอกันเพราะ เรามีพระเจ้าผู้ทรงเสริมก <ifications> ําลังนะไม่ใช่เราอดทนด้วยกําลังของเราเองแต่ว่าเราต้องพึ่งพากําลังในพระเจ้านะครับในพระเจ้นะของพระเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้กําลังของตัวเองแต่ว่าเราพึ่งพาพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเราตันหลายสิ่งหลายอย่างเราทําด้วยตัวเองไม่ได้แต่เราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าให้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะครับฉะนั้นหลายคนก็ พึ่งพาพระเจ้าด้วยการที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยการที่ภาวนาโพระชนะของพระเจ้าในทุกๆเช้าในการอธิษฐานทุกเช้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังฝึกในการพึ่งพาพระเจ้านะเมื่อเราเจอปัญหาในวันนั้นเราก็จะผ่านมันไปด้วยกําลังด้วยความคิดสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับการพึ่งาพามนุษย์นั้นดีไหมดี แต่บางครั้งมันก็เสี่ยงแต่สิ่งที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าทําไมเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ทรงเข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่างในชุดของเรานะครับในพระว จ, จนะของพระเจ้านะก็บอกว่าพระองค์ทรงรู้จักเราทั้งหลายดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองนะแม้ว่าเส้นผมของเราทั้งหลายทุกคนโปร่งส่งนับไว้แล้วนะครับเขาไม่มีใครเสียเวลามานับเส้นผมของตัวเองนะครับนะ แต่ว่าพระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายว่าอันนี้มันบ่งบอกถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เท่ละเอียดนะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รู้จักเราเป็นผู้ผที่ประจักษ์นะในทุกสิ่งในชีวิตของเราฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับอันที่สามคือการที่เราพยายามคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราพยายามคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับ เขาบอกว่าทุกที่นะครับมีปัญหาที่ไหนมีคนที่นั่นมีขวามวุ่นว้และมีปัญหานะครับมีสองคนขึ้นไปเนี่ยมีปัญหาแล้วครับนะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผู้เชื่อที่จันเปโลไดห้หนุในใจเนี่ยนะครับก็หนุนใจว่าให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับในพระโลชนาของพระเจ้าในสุดีว่านะเมื่อพี่น้อง มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทํางานร่วมกันเป็นการดีน่าชื่นใจสักเท่าใดเพราะว่าพระเจ้าจะส่งบางคับบัญชาพระพรของพระเจ้าลงมานะครับความชื่นชมอย่างดีความปรับเปลื้มใจจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความขัดแยง้งมีการแตกเล้าก็นํามาซึ่งความผมคืนและก็ไม่เป็นพระพรนะครับฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าอีกอย่างที่เราต้องคํานึงถึงคือเราจะต้องรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ได้ นะครับแม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมมีโอกาสไดเ้เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะตอนที่ไปทํางานาน่าจะเกือบยี่สิบปีนะครับก็มีคิจักแห่งหนึ่งนะที่ผมไปมืสการ์ะคิจักนี้ก็ค่อ น, น่ารักนะครับนะค่อนข้างเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบฉบับของเขานะศิพิบาลก็อ เป็นคนที่ยิ้มเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่อ่าชื่นชมคนอื่นเสมอนะครับนะใครมีของประทานเล็กเลน้อยนะครับอาจา ร, รย์ก็จะบอกโอ้โหดีมากเก่งมากน้องอาจา ร, รย์จะเรียกตัวเองว่าน้องเฮ้ยเรียกตัวเองว่าพี่นะครับนะก็เรียกสมาชิกวัยรุน่นหรืออาทุชนว่าน้องนะครับแต่เราก็เราไม่เคยเรียกว่าพี่แล้วครับเราเกรงใจครับเขาเรียกว่าเราว่าน้องเราต้องเรียกอาจารย์อาจารย์ พอมีงานอะไรนะครับพอกิจสมมาตรวาดรูปอะไรเ น, นะ่เรายังไม่ทันถึงโบสถ์อาจารย์เขาไปก่อนนะครับพอลงมือวาดภาพทําอะไรอาจารย์ก็จะมีความเป็นการเองสูงมากนะครับก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งแล้วก็จริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้เทศอะไรที่มันล้าลึกอะไรที่มันยากอะไรมากมายครับเวลาเทศนานะี แต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งอาจารย์เวลาเทศนาอาจารย์มักจะคล้ายๆว่าท้าชวดนะอาจารย์ก็จะบอกว่าใช่ไหมราชนะของพระเจ้าเป็นนี่ใช่ไหมพี่น้องเออพราชนะของพระเจ้าเปล่าแบบนี้นะพี่น้องเห็นด้วยไหมเราก็บอกเห็น <"H en S 1> ด้วยพราชนะของพระเจ้าได้ปุ๊บว่าอย่างนี้นะพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายเอเมนไหมเอเมนครับ<อ>ราชนะของพระเจ้าบอกให้ให้เราทําอย่างนี้นะ เราจะได้รับพระพรนะพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยแล้วนกะ็ท่านคกนะ็อย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าในาปัจจุบันที่เจอเพื่อนที่ผมอยู่ตอนนั้นเพื่อนก็ยังไม่เป็นผู้รำคใจเป็นผู้ชนนะตอนนี้ปรากฏว่าเพื่อนสีห้าคนเนี่ยที่พบกันเนี่ยนะครับไปเป็นศิยพยิบาลตามที่จกักไม่อาจะเป็นดีสานหรือจะเป็นนครปฐมนะครับกระจายไปทั่วนะครับนะก็เริ่มจาก อนุชนแล้วก็อาจารย์ก็ท้าถ่ายท้าชวนให้รับใช้พระเจ้านะบางคนเริ่มจากคนที่ทำงานในโรงงานนะครับแต่สุดท้ายจบด้วยการเป็นผู้รับใช้เป็นเสียพิบัตินะครับฉะนั้นพระเจ้าใช้เขานะครับนะก็ก็เป็นความเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วก็พระเจ้าสพระเจ้าทำงานนะพระเจ้าทรงอวยพอดคิดจกักแห่งนี้นะครับแต่คิดจกักแห่งนี้ก็จะเน้นเซล นะครับเซล์เล็กเซลล์น้อยนะครับให้พี่น้องนะครับมีการจัดเซลล์ร่วมมั ส, สการนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งว่านะพระเจ้าทรงทํางานทุกที่นะถ้าเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะทรงอวพรนะครับขอแต่เรารักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะครับนะีบนะ่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราตามในขิจักขององค์เจ้านะครับ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความที่เราไม่สามารถคิดแตกต่างกันได้อาจจะไม่ใช่เรื่องขัดแย้งในความคิดไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเป็นความที่ชอบต่างกันไม่ได้แต่ว่าเราเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อจะทำให้งานของพระเจ้าเดินในความแตกต่างนั้นร้อยให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อน ขีจักรของพระเจ้าให้ไปข้างหน้านะครับนี่คือพระวันะของพระเจ้านะครับต่อไปคือมีพระวิญญาณองค์เดียวกันมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อมีพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับอันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหลายครั้งกิจักรก็จะมีการเรียนพระคัมภีร์นะครับแนวะเรียนพระคัมภีร์เป็นสิ่งโอกาสที่ดีที่จะเกิดความเข้าใจนะครับ มีอาจจะมีบางคนหรือใครจะขัดแย้งในใจบางผู้เรียนทําไมพระคัมภีร์นะครับเรานมันส ก, การพระเจ้าวันเดียวก็พอแล้วแทนไปมีเวลาทําไมต้องเรียนพระคัมภีร์ด้วยนะครับแต่การเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรียนพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะเข้าใจพระเจ้าได้ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้นะ้านพะระทยของพระเจ้านะถ้ามีโอกาสเรียน พ อ, อนุ้นใจพี่น้องว่าเรียนเถอะครับนะบางทีการมานมันสการพระเจ้าเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มที่นะครับก็มีโอกาสเรียนก็เรียนนะครับมีพระวิ ญ, ญญาณองค์เดียวกันนะครับในคิดจักของพระเจ้าในพระชนะของพระเจ้าเนี่ยในสิ่งที่อาจา ร, รย์พโพลริดพูดถึงเนี่ยบางคิดจกักก็มีวิญ ญ, ญาณที่ทําให้เกิดความแตกแยกนะวิญญาณที่เกิดทําให้เกิดความแตกแยกวิญญาณที่ยุโยง นะครับมีนะครับนาะพระเจ้าจอร์รย์ปอโล่ก็ได้เตือนให้ระวังนะครับระวังวิญญาณอันนี้ที่จะอะทําให้พี่น้องเกิดความแตกแยกทําให้บัณฑทอนกําลังความเชื่อของพี่น้องนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีความอมีพระวิญญาณองค์เดียวกันมีความเชื่อองค์เดียวกันนะครับไม่เอาวิญญาณ่นความแตกแยกหรือวิญญาณในความอ สงสัยต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นมีอยู่สี่ประการวันนี้คือหนึ่งมีใจถ่อมนะครับนะถ้าเรามีใจถ่อมพระเจ้าทรงใช้เราทุกอย่างก็ได้นะครับนะเอาใจมาก่อนแล้วยื่นค่อยว่ากันนะเหมือนที่หลายคนบอกถ้าเรามีใจพระเจ้ามีทางถ้าเราให้ใจกับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเพิ่มเติมตะลานความสามารถของประทานให้นะครับนะให้เราทีหลัง นะครับมีความอดกลั้นนะครับมีความอดทนนานลองเพ a t i e มีความอดทนนานนะครับนี่นิดเดินหน่อยก็ยอมยกธงขาวนิดเดนหน่อยก็โบนนิดเดินหน่อยก็ยอมแพ้นี้ไม่ใช่น้ำมันไทยของพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความอดทนนานนะครับจะต้องอดทนนานอดกลั้นในการติดตามพระเจ้าอาจจะมีบางเรื่องอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่จะต้องมีความอดทนจะต้องพึ่งพา กำลังที่มาจากพระเจ้านะเราจะต้องอดทนนะครับทุกคนต้องมีความอดทนนะครับทุกอย่างทุกที่มันก็เกิดปัญหาใช่ไครับในครอบครัวแม้ก็อยู่กันสองคนก็เกิดความบางทีเกิดความต่างกันความเห็นต่างจะต้องใช้ความรักความอดทนนะฮะในพี่น้องก็มีความเห็นต่างกันบางทีต้องใช้ความรักและความอดทนในชุมชนในทิ่จัดนะก็มีความต่างแต่จะต้องใช้ความรักความอดทนแต่ถ้าเราเป็น มีความมีใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วความแตกต่างก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ว่าเป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังกําลังเราทั้งหลายนะครับให้เราทั้งหลายมีจิตใจที่ได้รับการเสริมกําลังนะครับนะมีจิตใจที่เต็มไปได้วยความร่าเริง ม, มีจิตใจแห่งความชื่นชมยินดี เหมือนพระธรรมฟิลิปปีได้กล่าวชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อทุกโอกาสนะครับมีจิตใจที่มีกำลังนะครับนะมีจิตใจที่เต็มไปได้วยความเชื่อนะครับนะแต่ถ้าใจปอมอะไรก็ลาบากนะครับพี่น้องเรื่องของดาวิดพี่น้องเคยเคยดูใช่ไหมครับในะเรื่องของดาวิดนั้นนะในกรรษัตริย์ซาอูลเนี่ยแล้วก็กองทัพเนี่ยทั้งกองทัพนะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้า แต่ว่าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งทางกองทัพใจฝ่อเมื่อเห็นคนคนเดียวนะครับแต่ดาวิดนั้นเป็นคนที่พึ่งฟาพระเจ้านะเขายืนยันว่านะพระเจ้าทรงอยู่กับเขานะพระเจ้าจะทรงสามารถทําลายศัตรูได้นะครับเป็นคนที่มีความอดทนให้ดูเรื่องของโนอา่นะครับโนอานั้ น, นมีความอดทนในการสร้างเรือทั้งที่ไม่มีความรู้ในการสร้างเรือมาก่อนแต่โนาก็อดทน นาพระเจ้าก็สอนที่เล็กน้อยนะก็บอกว่าโนาอาสร้างเรือประมาณร้อยกว่าปีนะครับนะเถ้าร้อยกว่าปีนี่สมัยนี้เราคงไปก่อนนะครับนะไม่ต้องถึงร้อยแล้ครับสี่สิบเราก็ไปแล้วใช่ไหมตาก็ไปแล้วตาเริ่มยาวแล้วหูเริ่มตึงแล้วนะครับนะร้อยกว่าปีนี่คงอยู่ไม่ไหวนะครับนะแต่สมัยก่อนคนมีอายุยืนยาวครับเนื่องจากคนจะไม่เห็นฝนตกคนเอ่อ คนยังไม่รู้ว่าน้ําท่วมเป็นอย่างไรไม่มีประสบการณ์นะก็โนอาก็ถูกดูถูกว่านโนอาบ้าไปยังเนี้ยนะครับฝนยังไม่ตกเลยนะครับยังไม่เกิดน้ําท่วมเลยโนอาจะสร้างเรือนะครับเป็นคนที่สตเสียไปแล้วแต่โนอามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อดทนนะครับมีความที่อดทนสูงมากนะครับฉะนั้นขอหนุนใจให้เราทั้งหลายมีความอดทนอดกลัน้นนะครับมีความพยายามคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน นะครับมีความเชื่ออันเดียวกันนะครับมีพระวิญญาณองค์เดียวกันในการที่จะเราติดตามพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะส่งใช้เราในการพระเจ้าส่งอิ่ภอรชีวิตเราอิ่ภอรครอบครัวเราอิอ่ภอรกิจักรของเราต่อไปนะครับให้เราร่วมใจฐานนะครับก็แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายเป็นผู้ที่เชื่อและไ ว, ว้วางใจพระเจ้าเราทั้งหลายได้รับความรักของพระองค์เราทั้งหลายได้รับพระคุณความรักของพระองค์ เราทั้งหลายเข้าใจและเราทั้งหลายก็เดินตามพ ร, ระองค์ก็แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเยปนให้เราทั้งหลายเป็นคนที่มีใจทองเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นเป็นคนที่มีความสามคัคคีรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและมีความเชื่ออันเดียวกันก็แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนเจ้าเยปนครับ โฆษณาในเช้าวันนี้เราได้อะไรกลับไปครับเราได้ใจถ่อมสุภาพเราได้ใจที่อดทนนาน